นี่จุดอ่อนที่หลวงพ่อเห็นเลยสำหรับภรราวาเนะขาดความต่อเนื่องนี่จุดหนึ่งนะอีกจุดหนึ่งคือขาดสมาธิที่ททถูกต้องถ้าพวกเราแก้จุดอ่อนสองข้อนี้ได้การที่จะได้มรรคผลในเวลาอันสั้นนั้นก็เป็นไปได้ถ้าเราแก้จุดอ่อนไม่ตกนะเมื่อภาวนานไม่ค่อยได้ผลเวลาคนภาวนานนะที่หลวงพ่อ เห็นมาจำนวนมากคนที do, to to ่ภาวนาได้นะจิตต้องตั้งมั่นจริงๆจิตต้องถึงฐานจริงๆถ้าจิตออกนอกจิตไหลออกไปตลอดเวลาเสีอกระทั่งไหลไปนิ่งอยู่ในรมันเดียวเช่นไปรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไปดูท้องพองยบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไปเดินจงกลมจิตไหลไปที่เท้าอะไรพวกนี้ทำไม่ได้จริง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 ถ้าสมาธิมันเกิดแล้วจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยงานต่อไปก็มาหัดแยกธาตุแยกขันมาเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึง่งจิตอยู่ส่วนหนึง่งความสุขความทุกข์แยกไปอยู่อีกส่วนหนึง่งกุศลากุศลทั้งหลายแยกไปอยู่อีกส่วนหนึง่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก็อยู่อีกส่วนหนึ่งจิตก็ปรุงแต่งไปด้นะเดี๋ยวก็วิ่งไปที่ตาหูจมูกลิ้นใจใจเลยจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์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 จะบารู้มรกผลในชีวิตนี้อยู่ที่ว่าทําถูกต้องไหมถ้าทําถูกต้องเนี่ยจิตต้องถูกต้องถ้าจิตผิดนะทำกรรมฐานอะไรก็ผิดหมดนะถ้าจิตถูกนะกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้เงีนะ้ยอยู่ที่จิตเหล่านี้แหละว่าต้องตั้งมั่นจริงๆต้องค่อยๆฝึกฝึกไปเรื่อยหลักของการปฏิบัติที่หลวงพ่อย้ำหนักย้ําหนานะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง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 ด้ว ย, วยมีจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิด้วยปัญญาก็เกิดไม่ยากอะไรงั้นเราก็มาพัฒนาเครื่องมือสำคัญสองตัวนี้เลยคือสติกนะับสมาธิที่ถูกต้องถ้าเรามีเครื่องมือสองตัวนี้แล้วก็ไม่ยากอะไรอีกต่อไปแล้วก็เหลือแต่ว่าทำให้มากพอนานๆทำทีหนึ่งหลายๆวันทำทีหนึ่งไม่พอหรอกเพราะกิเลสมันทางานตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดพักนะกิเลสขยันนะมีโอทีตลอดนะ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 หรือบางทีเขาโฆษณามากเลยนี่ทำแล้วดีอย่างงน้นทำแล้วดีอย่างนี้นะใจเป็นกุศลขึ้นมาเหมือนกันทําเหมือนกันนะอาจจะทําใช้เงินมากกว่าที่ทําเองอีกนะเพราะว่าเขาชวนมากนะรู้สึกเครือบเคลิ้มขึ้นมากับคําชวนให้ทําบุญของเขานะบุญที่กเกิดจากการชักชวนนะเป็นบุญที่มีกําลังอ่อนนะบุญที่มันเกิดขึ้นมาจากธาตุแท้ในกำมลสันดานของเราเนะี่ยเป็นบุญที่มีแรงนะเป็นกําลังมาก บาปก็เหมือนกันนะอย่างถ้าบาปบาปที่เราเห็นใครก็เกลียดเข้าไปหมดนะอยากทำร้ายเขาไปหมดโดยอัตโนมัติเนี่ยไนี่มีโทสะแรงกล้าถ้าถูกยั่วถูกด่ามาสามวันสามคืนแล้วค่อยโมโหไปชกเขาอะไรเนี้ยตัวเนี้ยอกุศลตัวเนี้ยโทสะตัวเนี้ยมีกำลังอ่อนเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดอัตโนมัติมีไม่กำลังแรง อะไรที่ต้องโน้มน้าวชักจูงให้เกิดเนี่ยมีกําลังอ่อนทั้งฝ่ายบุญทั้งฝ่ายบาปสตินี้ก็เหมือนกันถ้าต้องโน้มน้าวให้เกิดนะยังมีกําลังอ่อนอยู่เช่นเราค่อยปลอบตัวเองนะค่อยหายใจคอยรู้สึกนะหายใจคอยรู้สึกนะช่วงเนี้สติตัวจริงมันยังไม่เกิดนะก็คอยรู้สึกคอยรู้สึกคอยปลอบตัวเองคอยเตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆนะสติตัวนี้ยังมีกําลังอ่อนะแต่ต่อไปพอจิตมันจําสภาวะได้แม่นะ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 หรือความทุกข์เกิดขึ้นในใจแวบบเดียวไม่ได้เจตนาจะรู้เลยว่ากําลังทุกข์อยู่นะสติก็ระลึกได้เลยว่าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วหรือค่อยดูใจก็ได้นะคนไหนขี้โมโห fünf, <des per ate> ก็ดูไปใจ <des per ate> เดี๋ยวก็โ <des per ate> กรธ เ, <des per ate> เดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธฮัดดูบ่อยๆต่อไปพอความโกรธผุดขึ้นนะไม่ได้เจตนาจะรู้มันก็รู้ตรงที่ไม่เจตนาจะรู้มันก็รู้นี่แหละสติอัตโนมัติมันเกิด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 แต่ถ้าดูตัวนี้ไม่ถนัดจําเป็นต้องไปดูตัวอื่นก็ดูไปอย่าเห็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเกิดแล้วก็หายไปเลเกิดจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอะไรนี่จะสุขเกิดทุกข์อะไรเงี้ยดูไปด้วย อ, อย่างนั้นได้สตินะแต่ถ้าดูแล้วเห็นจิตที่เคลื่อนเนี่ยจิตที่เคลื่อนไปเราจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเพราะการที่เห็นสภาวะบ่อยๆมันทําให้เกิดสติการที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะจิตที่เคลื่อนจะดับ จะเกิดจิต ท, ที่ตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าเมื่อไหร่เราทําสมาธินะเราจงใจให้จิตตั้งมั่นเนี่ยสมาธิอย่างนี้ยังมีกําลังอ่อนเพราะนั้นการที่เราคอยประคองรักษาจิตไม่ให้เคลื่อนไปเนี่ยเป็นสมาธิ ท, ที่อ่อนนะคุณภาพต่ําแต่ถ้าจิตเคลื่อนไปแล้วสติระลึกได้เองแล้วมันตั้งมั่นขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นสมาธิ ท, ที่มีกําลังแก่กล้านะเนี่ยเหนือเหนือกว่ากันมากเลยต้องฝึกจนกระทั่งมันชินนะ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 นะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูได้นะพอสติะระลึกเห็นร่างกายปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แยกออกไปอยู่ต่างหากเนะนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเราเดินปัญญาแล้วเราเริ่มเห็นใจรักของกายนะหรือเราเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นนะจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยวความโกรธความโลภความหลงอะไรนะั้นไม่ใช่จิตหรอกมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่ตัวเรา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 เพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีสองชนิดจิตที่เป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีเป็นส่วนใหญ่ด้วยจิตที่เป็นกุศลและประกอบด้วยปัญญานี่ก็มีนะแต่เป็นส่วนน้อยหรอกมีไม่มากหรอกส่วนใหญ่มจะเป็นกุศลที่ไม่มีปัญญาปัญญานี้ต้องเห็นไตรลักษณ์นะถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาจริงถ้าเห็นอย่างอื่นก็ได้เป็นปัญญาอ่อนนอนเป็นปัญญาธรรมดาธรรมดาถ้าเห็นไตรลักษณ์ของ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 ก็มีพระอยู่ประมาณ500องค์สมัยพุทธกาลนีสัมนวนแขกเนี่ยถ้าเยอะๆเนี่ยจะเรียกว่า500ถ้าเยอะมากกว่านั้น 84% ดหมพถ้าเยอะกว่านั้นอีกเรียกแสนโกดอัตราเนี่ยก้าวกระโดดมากเลยนะบอกว่ามีพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเรื่องอสุภกรรมฐานแล้วก็เสร็จแล้วท่านก็ปลิกวิเวกนะพระพุทธเจ้าท่านก็หลีกออกไปไปพรณาของท่านองค์เดียว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 ให้ทำอานาปนาสติสอนอะรอ่รเงี้ยนี่ก็เกิดคำถามขึ้นมาแล้วทำไมพระพุทธเจ้าสอนจนพระฆ่าตัวตายไปเยอะเลยอธกถาก็บอกว่าพระพวกนี้มีบุพกรรมพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ท่านต้องอุเบกขาแนละ้วต้องหลบออกไปก่อนเลยเพราะามีบุพกรรมจะต้องฆ่าตัวตายเห็นไหมการพิจารณาที่หลวงพ่อเล่าเรื่องนี้ไม่ใช่ให้เรานั่งคิดว่าทำไมพระพุทธเจ้าปล่อยให้ลูกศิษย์ตายไปห้าร้อยคน ทำไมท่านไม่ช่วยท่านช่วยท่านฝืนกรรมไม่ได้ไม่มีใครใหญ่เกินกรรมไปได้นะที่โหลวงพเล่านี้ก็เพื่อจะบอกพวกเราว่าอย่างถ้าเราไปพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกรูเป็นอาสุพะอะไรเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนาหรอกนะพิจารณาไปเนี่ยบางทีขยักขยั่งร่างกายไม่รักร่างกายจริงแต่ว่ามันจะเกลียดร่างกายมันจะไม่เป็นกลางหรอกมันจะไม่เหมือนอย่างการทํำวิปัสสนานะถ้าทําวิปัสสนาเนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นกลาง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 กายเยกายานุปัสสีวิหรติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมอาตาปีสัมปชาโนสติมามีความเพียรแผดเผากิเลสมีความรู้สึกตัวมีสติวินัยยะโลเกอาพิชาโทมานัสสถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกใช้ได้ก็คือในรูปธรรมนามธรรมใช้ได้นั่นเองเห็นไหมว่าถ้าภาวนาถูกนะมันจะมาถอดถอนความยินดียินร้ายได้ไม่ใช่ภาวนาแล้วเกลียดรูปธรรมนามธรรม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 เนี่ยเวลาเราดูร่างกายนะเราจะเห็นตัวทุกข์ได้เด่นที่สุดเลยนะดูกายลงไปที่เห็นหายใจออกก็ทุกข์นะต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์หายใจเข้าแล้วก็ทุกข์ต้องหายใจออกแก้ทุกข์นั่งนานก็ทุกข์ต้องเปลี่ยนอิธิยาบทไปยืนไปเดินนอนนานยังทุกข์ต้องเปลี่ยนอิธิยาบทพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยดูไปเรื่อยนะจะเห็นมันไม่ใช่ของดีความรักใครยึดถือในกายก็จะค่อยๆ ค, ค, ค, คลายออกนะแต่ไม่ได้เกลียดนะ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 เทวดาจะให้ไม่ยุดถือกายนี่ไม่ใช่ง่ายเลยเพราะว่ากายท่านงามเหลือเกินของใสถามว่ากายเทวดาเที่ยงไหมไม่เที่ยงแต่มันไม่เที่ยงมันแสดงตัวตอนไหนตอนใกล้จะตายเทวดาตอนใกล้จะตายนะรัศมีก็จะเศร้าหมองลงไปแสงเนี่ยค่อย ค, อยคอยรีรีลงไปนะแล้วผิวหนังก็จะหยาบขึ้นมาะจะเนียนนะจะหยาบหยาบขึ้นมามีเหงื่อซึมออกมาะเออ รัศมีก็เศ้าหมองมีเหงื่อซึมซึมออกมานี่เป็นสัญญาณว่าท่านใกล้จะตายแล้วนะถ้าเพศเทวดาองค์ไหนเป็นแบบนี้นะเพื่อนเทวดาก็จะมาส่งนะมาปลอบเหมือนที่พวกเราไปเยี่ยมพวกไอซีย์อ่ะไปก็เป็นยืนเกาะรับๆเตียงทําใจดีๆไวนะ้นะเแต่พวกเราไปเยี่ยมพักพวกใกล้ตายนะทําใจดีๆไว้นะตายไปจะได้ขึ้นสวรรคนะ์แล้วก็ตั้งใจอย่างเนี้ พวกเทวดาก็จะมาล้อมนะรอบที่นอนนี้เหมือนกันนะแล้วก็มาปลอบเพื่อนทําใจดีๆไว้นะขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะออดูสิมนุษย์อยากเป็นเทวดาเทวดาอยากเป็นมนุษย์เพราะอะไรนันเจริญสติเจริญปัญญาง่ายเป็นมนุษย์ดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวร่างกายก็แ ป, ปรปลุนใช่ไหมเดี๋ยวก็เจ็บนูนเจ็บนี่ดูจิตใจของมนุษย์สิจิตใจของเรากลับกรอกยอกย้อนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย จิตเทวดาเวลามีความสุขสุขน่นนะสบายในตําราก็มีมีเทวดาวงหนึ่งนะเทพธิดาตามเทวดาใหญ่สมตสมติว่าตามพระยินนุพ่อจาชื่อเทวดาองค์นี้ไม่ได้นางฟ้าองค์นี้เป็นบริวารของพระยินสมมติอย่างนี้นะแล้วพระยินก็อพพาออกไปเที่ยวเล่นในสวนนางฟ้าเนี่ยเกิดตายในสวนจุติองอมาเกิดเป็นมนุษย์นะ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 รู้สึกมีใจที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่มีสติคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายมีสติคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจรู้ไปเรื่อยๆสุดท้ายปัญญามันก็เกิดนะเกิดเลยว่าโอ้ร่างกายนี้นะเต็มไปด้วยความทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะทาอะไรก็ทุกข์มากกินข้าวก็ทุกข์นะัอดข้าวก็ทุกข์นะ กินน้ำมากมากก็ทุกข์อีกไม่มีน้ำจะกินก็ทุกข์อีกนะเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยอนะไรนี่ยเดี๋ยวเจ็บมากเดี๋ยวเจ็บน้อยนั่งอยู่ก็เดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยพอนะเหงื่อโซมออกมามีความสุขไหมร้อนจัดจัดเหงื่อโซมท่วมตัวเลยไม่มีความสุขนะแสบแสบคันคเนี่ยถ้ามานั่งอยู่ตรงนี้จะเห็นเลยว่ากายของพวกเราเนี่ยมันน่าเกลียดขนาดไหนนะที่พวกเรานั่งอยู่เนี่ยนะรู้ตัวหรือเปล่าว่าเก่าอยู่แทบทุกคนเลย อย่างกะลิงเนะยอย่างกลิงนะยุกยิกยุกยิยุกยิไม่มีใครนิ่งเลยแล้วไม่ต้องนิ่งเอาไว้ให้ฤๅษีเขานิ่งเราเป็นลิงอย่างนี้แหละเราก็ดูไปโอ้ร่างกายนี้มีความทุกข์นะเนี่ยไม่เหาแล้วรู้สึกสิรู้สึกใครรู้สึกอยู่ที่กายรือนี่เห็นว่ามันทุกข์ตลอดเลย เดี๋ยวคันตรงนั่นเดี๋ยวคันตรงนี้เอาเลนะเห็นไหมนะแทบไม่หยุดเลยเนหะ็นไหมหลงพ้อสาธิตคำจริงแอบเกาไปด้วยเพราะอะไรเพราะกายมนุษย์มันเป็นอย่างเนี้ยนะมันไม่ดีมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ค่อยดูลงไปดูลงไปเรื่อยสิ่งที่ทำให้เรามองไม่เห็นความทุกข์ของกายนะก็คือการเปลี่ยนอิริยาบถเรานั่งนานๆานมันทุกข์เราก็ขยับเมื่อยใช่ไหมใครนั่งแล้วยังไม่ขยับ ก็ต้องขยับไปอย่างเงี้ยแก้เมื่ อ, อยนี่พอเรามันชินพอเมื่อยปุ๊บเราขยับปับ๊บเรายังไม่ทันเห็นเลยว่ามันทุกข์นะหรือเราหายใจเนี่ยหายใจเข้าไปเรื่อยๆพอมันทุกขนะ์นั้นเราก็หายใจออกเลยมันเปลี่ยนเปลี่ยนดีรียาบทเปลี่ยนการหายใจเหมือนกันมันก็จะปิดบังความทุกข์เอาไว้นะส่วนใจจิตใจเราเนี่ยความสืบเนื่องความสืบต่อเรียกว่าสันตะติจิตเนี่ยเกิดดับรวดเร็วจนเราเนึกว่ามันเที่ยง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 ความรู้สึกทั้งหลายก็ส่วนความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่กายไม่ใช่จิต้าจะเห็นเลยทั้งร่างกายทั้งความรู้สึกทั้งจิตนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้าเจ็ดวนะันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเราควรจะได้ธรรมะบ้างเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเจริญสติปัฏฐานเจดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะจะเป็นพระอรหันต์นะบางคนท่านบอกว่าเจ็ดวันแล้วยกไว้เอาหกวัน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 หลวพ่อประโมทก็บารมีน้อยต้องมาทนอยู่กับพวกบารมีน้อยรุ่นเดียวกันเขาไปนิพงษ์นิพานกันหมดแล้วก็ไม่รู้เนาะเอาละวันนี้พอสมควรนะเดือนหน้าไม่มีเดือนหน้าที่นี่ก็มีงานสงกรานต์หลวงพ่ไม่ได้มาเทศที่นี่อ้าใครจะส่งกันบ้านกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะอยู่ไหน คืออยากจะให้หลวงพ่อแนะนำการฝึกกรรมฐานแบบไหนที่ตรงกับจริตของหนูคะกรรมฐานอะไรนะกรรมฐานเวลาฝึกสมถะค่ะสมถะทำไมล่ะคือเวลาหนูนั่งสมาธิแล้วมันจะเพ่งอะคะ่ะ<อ>ก็เลยรู้สึกว่าเพ่งเพ่ ง, งเนี่ยเบื้องหลังการเพ่งคือความโลภนะอาจจะไม่ตรงกับจริตของตัวหนูเองหรือเปล่าสมถะต้องเลือกอารมณ์ก่อนเลือกอารมณ์ที่เราไปรู้แล้วสบายใจ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 ถ้าฝึกอย่างนี้เดี๋ยวสมาธิที่ดีมันจะเกิดขึ้นอสมาธิสงบของเหล็กเล่นนะไม่ไปนิพพานหรอกเอาสมาธิอีกชนิดหนึง่งหายใจนะแล้วก็รู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตรู้สบายสบา ย, บายนะท่านมันจะได้ความสงบได้ความตั้งมั่นได้ไปหมดแหละขอบคุณค่ะตาเบี้ยธรรมะสักอืมตืนเต้นคือ <c oughs> อยากจะถามว่าจะทํายังไงให้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 ไม่ทราบว่าปฏิบัติอะไรผิดหรือเปล่าอย่าอยากเห็นนะะถ้าอยากเห็นจะไม่เห็นนอะถ้าใจไม่อยากนะรู้สึกตัวไปดเรื่อยมันก็เห็นเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เห็นด้วยตาไม่ใช่อมันรู้ด้วยความรู้สึกใช่ค่ะดูเรามานี้มันจะกลวงตลอดเลยค่ะแต่เวลาจิตที่เห็นร่างกายกลวงๆมันเหมือนจะจิตกับกายนี่เป็นคนละอันนะแต่ไม่ใช่ถอดจิตออกจากกายนะค่ะเอถ้าถอดจิตออกจากกายเป็นอีกแบบหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของสมถะละ ในนามน่าของสมาธิของสมถะก็ อ, อยู่กับกายนี่แหละแต่ว่าอยู่ด้วยกันแต่มันไม่กระทบกันนะอันนี้หนูแยกกายได้หรื อ, อยังได้ดูดูรู้สึกว่าปฏิบัติมามันไม่มีความคืบหน้าเลยเหให้ดูตัวนี้นะดูตัวเขาเรียกว่ากุกขุดจับกุกุด จ, จัคือความรําคาญใจที่ว่าไม่ก้าวหน้าเป็นโทสะตัวหนึง่ง<ฆ>ให้รู้ทันจิตเข้าไปเลย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 ของโองหนใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวก็จิตโลภเดี๋ยวก็จิตโกรธเดี๋ยวก็จิตโงค่ะก็เห็นเยอะขึ้นแล้วก็เสียตังค์น้อยลงอา่ะนั่นดางนั้นนี่แหละเราดูจิตนะแล้วก็จะทำให้ร่ำรวยได้ขอบคุณมากค่ะกลับนมัสการค่ะคือหนูอยากฝึกสติในชีวิตประจำวันและในการทำงานนะคะมีมีวิธีใดที่จะฝึกสติในชีวิตประจาวันและการทางานบ้างคะทอะไรล่ะ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 หนูฝึกด้วยการไหว้พระสวดมนต์นะค ะ, ะแล้วนะหนูฝึกด้วยกันไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ดูใจที่หลงไปขีดอะค่ะเออตีนแล้ ว, ลวไงอะเราก็ไม่ก็มาถามหลวงพ่อว่าฝึกฝึกอย่างนั้นต้องทําทุกวันนะค่ะทําวันเว้นวันหรือฝึกทุกวันพระอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องทําทุกวันน ะ, ะทำอย่างมีวินัยแล้วก็ถัดจากนั้นเวลาอยู่ในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยคอยรู้ทัน นะจิตใจเราสุขจิตใจเราทุกข์จิตใจเราดีจิตใจเราร้ายเราคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงไปด้วนยะฝึกได้ทั้งสองแบบคือในรูปแบบด้วยในชีวิตประจาวันด้วยดีที่สุดล่ละสิ่งที่ขาดคือสมาธินะจิอยางฟุ้งเก่งอยู่ให้คอยรู้ทันเวลาทําในรูปแบบนะจิตไหลไปคิดแล้วรู้สวดมน์แล้วจิตไหลเรารู้ฝึกย่างให้มากๆเลย S <S แล้วมาอยู่ในชีวิตประจําวันเนี้ยถ้ามันฟุ้งมากนะเราก็สวดมนต์ในใจสวดสั้นๆก็ได้พุทโธพุทโธแค่นี้ยังได้เลยแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนั้นอยู่ในชีวิตประจําวันก็สวดด้วยนะแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนเอาตัวนี้ให้ชํนานาญสมาธิจะได้เข้มแข็งกว่านี้ถ้าสมาธิเข้มแข็งแล้วค่อยเดินปัญญาง่ายนะตอนนี้สมาธิไม่พอขอบคุณครันะพุทโธไปหายใจไปนะจิตเคลื่อนเรารู้อยู่ในชีวิตยอย่างนี้ก็ค่อยทาไป นันทการเจ้าค่ะหลวงพ่อคือโยมก็สวดมนต์ทุกวันนะเจ้าค่ะสวดบางวันก็ต้องสี่สิ้านาทีหรือชั่วโมงกว่าทั้งนั่งสมาธิเจ้าค่ะแต่โยมอยากจะทราบว่าการสวดมนต์เนี่ยแล้วก็เรามารู้ความหมายความแปลเนี่ยมันเป็นสมถะหรือวิปัสสนาเจ้าเป็นสมถนะถ้าวิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจต้องเห็นเอานะต้องรู้สึกเอา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 คำแปลทาวัดเช้าแล้ววิเศษมากเลยนะนั่น แ, แหละสอนวิปัสสนาแท้ๆเลยนะสังคีเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ใช่ไหสัญญาที่ทางได้แก่สิ่งต่อไปนี้รูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงดูไปเรื่อยนะดูไปแต่โยมก็ชอบการสวดมนต์แล้วนั่งนั่งดูกลายนะคะ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 แต่ว่าใจเราต้องไม่เคร่งเครียดนะใจเราต้องสบายสบายดูมันดูคนอื่นไม่หวังผลอะไระนะดูกายดูใจไปเนะบื้องต้นที่พูดอย่างนี้ก็คือเราแยกขันห้าได้แล้วกายก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมความเจ็บปวดก็ส่วนหนึ่งหัจากนั้นก็ดูไปขันห้าเนี่ยล้วนแต่อยู่ใต้ใจรักไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ไดนะ้ดูของจริงไปเรื่อยๆแต่ว่าของโยมเนี่ยใจต้องสบายกว่านี้มันจริงจังแรงไป จ้ะค่ะนะตรงที่จริงจังแรงไปเนี่ยทําให้จิตเครียดนะใช่ใจใจจะไม่สุบสบายไม่สงบสบายหรอกนิ่ใส่เป็นคนจริงจังกับทีนี้นะเสียตรงนี้ลดตัวนี้ลงไปเป็นจุดอ่อนนะจริงจังเนี่ยเป็นจุดอ่อนนะแล้วโยมก็เห็นว่าเวลาเปิดพัดลมลมมันปลิวผมมันโดนจมูกเนี่ยก็เห็นว่าจมูกปลิวยิ่งยิยมันก็เห็นลาคาญเห็กิเลสความความลาคาลนั่นแหละะเห็นโทสะอย่างนั้นใช้ได้นะ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 ลอยไปแล้วก็มารู้สึกตัวอันนี้คือที่หลวงพ่อว่าไหลไปลรารู้ใช่ใช่อครับเราเดินไปนะเราเดินเอาสติหรอกนะเดินเอาสติเดินเอาสมาธิเดินเอาปัญญาไม่ได้เดินเอาระยะทางไม่ได้เดินเอาเวลาไม่ใช่ว่าตั้งใจเดินหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินครบชั่วโมงได้ก็พอใจนั้นไม่ได้ครับเพราะเวลาเราเดินเนี่ยส่วนเดินไปแล้วใจลอยไปแล้วหยุดก่อน รู้สึกตัวใหม่รู้สึกตัวสบายๆแล้วก็เดินต่อนะเดินไปสุดทางจงกรมแล้วก็หยุดก่อนรู้สึกตัวสบายๆก็หมุนตัวกลับมาหมุนตัวกลับมาแล้วก็ยังไม่เดินรู้สึกตัวสบายๆก่อนแล้วก็เดินเดินมาสามเก้าใจลอยไปหยุดก่อนก็ได้รู้สึกตัวใหม่แล้วก็เดิน<ค>ไม่ห้ามนะแต่ว่าถ้าใจลอยไปก็กลับมารู้สึกกลับมารู้สึกเรื <rib bunun> ่อยครับแล้วก็มีหลายปีแล้วครับตอนนั้นเดินจงกรมอยู่แล้วก็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 ทุกหนุ่มพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มหมก็ฝึกไปเรื่อยๆนะต่อไปไม่รู้สึกอยู่ตลอดเลยเอขันนี้เป็นแค่เครื่องอาศัยเท่านั้นเป็นที่อาศัยเท่าน้จะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาขอบพระคุณครับกลาขอบกับนักมัธยมหลวงพ่อค่ะช่วงสองขอบคุณช่วงสองสามเดือนมานี้ค่ะเห็นแต่ความอึดอัดบ่อยอะค่ะแล้วบางทีจิตมันจะ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 เดี๋ยวนี้มันมันไปโหมดอย่างนี้บ่อยอะค่ะช่วงสองสมเดือนมานี้อมิซ่าจะแก้ไขยังไงเดียร์คะ <S <S ไม่ต้องแก้อะไรหรอกนะรู้อย่างที่มันเป็นแล้วก็รู้ทันจิตของเราเนะีมันรู้สึกจะเข้าโหมดนี้แล้วไม่ชอบละรู้ว่าไม่ชอบกลับมารู้ที่จิตนะไม่ต้องไปรู้อย่างอื่นหรอกรู้ทันเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยไม่ชอบรู้สึกไหมอยากหายเออนั่นแหละ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 ร่างกายนี้ก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนทุขกข์กะว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนครับอย่างอย่างบางครั้งเวลามาดูกายมากๆอย่างอย่างณปัจจุบันยังไงก็จะรู้สึกว่าใจมันเต้นตื้อๆๆอยู่ตลอดมันรู้ดูแค่นั้นหเห็นเลยมันมันเต้นมันไม่ใช่เราหรอกครับดูเหมือนดูคนอื่นเราอีกตัวหนึ่งมันเมื่อฝึกไปสักพักหนึ่งมันจะมีตัวขี้เกียจตัวหนึ่งที่เริ่ม เริ่มมามีอิทธิพลตัวคิดตัวขี้เกียจเป็นความคิดเขาตัวนี้อับประโมงคลครับเมื่อเมื่อเกิดก็รู้สึกไปแบกมันไว้อย่ายอมมันนะตัวนี้ยอมไม่ได้เลยนะตัวขี้เกียจเกิดขึ้นให้รู้ว่าขี้เกียจดูมันไปเหมือนแต่เป็นกิเลสธรรมดาตัวหนึ่งนี่แหละอย่าไปยอมมันครับไม่งั้นมันจะครอบเราครอบเราแล้วเราก็หมดฤทธิ์หมดเดชนะก็กว่าจะ รู้ว่ามันเป็นสภาวะตัวหนึ่งก็ผ่านไปตั้งเดือนนะหาขี้เกียจตั้งเดือนเชียวหรอใช่ครับก็เอาหนาเดือนนี้สู้มันแพ้เดือนหนึ่งแล้วไม่เป็นไ ร, รงั้นขอมีกันบ้านอะไรที่หลวงพอ่อไปรู้ทันจิตใจของเรานะจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้ฝึกรู้บ่อยๆเจอทั้งไม่ได้เจตนาแล้วมันก็กลับมาโดยไม่ได้เจตนาจะกลับมาใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะอย่างตรงนี้มันดึงเข้ามา ดึงเข้ามาอัดเข้ามามันจะแน่นๆนนอย่างนี้ไม่ดีให้รู้ว่าโลภมากไปแล้วบังคับมากไปแล้วขอกราบข้าพุทธเจ้กราบด้บ้า ก, การหลวงพ่อคะอ่ะได้ส่งการบ้านครั้งที่แล้วเมื่อหนึ่งปีกับสองเดือนที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเตั้งแต่นั้นมาก็รู้สึกมีความสุขอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็มันแต่ไม่รู้ทันว่าตัวเองมีความสุข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 จะดูใจบ้างนิดหน่อยแต่บางทีจะไม่ค่อยทันค่ะอืมใจไม่ค่อยทันธรรมดาเวลาดูกายนะขี่จักรยานแล้วซ้ายกวาซ้ายกว่าได้สมถะนะค่ะ<า>แต่ถ้าขี่จักรยานไปเห็นร่างกายมันขี่จักรยานเราเป็นแค่คนดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกระตุกกระติกกระตุกกรติกนะทีี้เราเดินปัญญาค่ะจะพยายามดูอย่างนั้นบ้างคะ่ะเมื่อเมื่อนึกได้คะ่ะออมทีนี้การที่เราทําอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้ได้ปฏบิบัติทำหรือเปล่าคะ แล้วแ ต, ต่ดีมัดแล้วก็พอตอนเช้าเนี่ยจะพยายามลุกขึ้นมาตั้งแต่ตีห้าครึง่งแล้วก็ทำอยู่คะหนึ่งชั่วโมงก็พยายามดูกายไปด้วยได้หรือเปล่าคะได้ดูไปนะแต่ใจเราต้องเป็นคนดูสบายๆนะค่ะแล้วก็โยมันเพ่งแรงไป เ, เันเพ่งไปเหรอคะอ๋อแล้วก็ต่อมาก็จะพยายามสวดมนต์คะ่ะแล้วก็เราจะอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่ที่เพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ยได้ไหมคะ ได้อุทิศได้แต่แม่จะได้หรือเปล่าอีกเป็นอีกเรื่องนะเราอวอุทิศมีหน้าที่อุทิศเราอุทิศไปเรื่อยแล้วก็อืมอันนี้ลูกชายฝากมาถามค่ะคือว่าอืมเขาจําเป็นต้องฟังธรรมะที่เราเปิดของหลวงพ่อเนี่ยบางทีเขาก็จะราคาญนิดนิดแต่ระยะหลังๆเนี่ยเขาจะเขาจะทําเขาจะทําแต่ว่าเขาจะบางทีก็เขาบอกว่าฝากมาถามหลวงพ่อด้วยว่า เออทำยังไงถึงจะเกิดศรัทธาเพราะว่าตัวเขาก็ไม่ได้ศรัทธาอะไรง่ายๆค่ะแต่ว่าทําที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเขาบอกว่าเขาทํานะคือรู้สึกตัวตอนกลืนน้ำลายเพราะว่าเขากลืนน้ำลายบ่อยเขาบอกว่าแต่อยากทราบว่าทํำยังไงจึงจะเกิดศรัทธาในในในการปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าไม่รู้ว่าทําไปแล้วมันจะเป็นจริงหรเปล่าอืเราต้องทําให้เขาดูสิเราต้องเปลี่ยนตัวเองให้ใจเย็นๆได้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 รู้ทันใจไงน ะ, <ฮ>ะอย่าอยากได้อย่าเล่าร้อนใจเย็นๆ <ฮะ S 1> อย่าไปเค้นมันมากฝ <ฮะ S 1> ึก <ฮะ S 1> ให้มันมีความสุขให้มันสบายใจแต่ว่าที่ทำมานี่ก็เข้ า, ขาทางเข้าทางดีขึ้น<ฮ>ะนะไม้นถ้าเราเป็นคนเครียดน ะ, <ฮ>ะต้องลดตัวนี้ให้ได้นะภาวนาก็ต้องไม่เครียด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 เอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปก an ัะปติอิชิต um ังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจตุสเพปุเรนตูส so ังกปาจันโูปนรโสยัทามิโชติระโสยัทาสัพีติโยวิวัตชันตุสปโรโควินาสตุมาเตภวัตปันต라โยสุขีทีคายยโกภะวะ อภิวาสนาสีลิสเนจังวุทาปจายโนจตารโอธรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุ